วันนี้เป็นวันจันท ร, ร์ที่17กรกดาคมพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรมวันปฏิบัติภา ร, รกิจของชาวพุทธที่พระพุทธเจ้า ได้ส่งมอบให้แก่ชาวพุทธไว้ปฏิบัติคือคันธะทุระและวิปัสนาทุระคันธะทุระแปลว่าศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าวิปัสนาทุระแปลว่าการปฏิบัติเพื่อทำให้รู้แจ้งเห็นจริง ในธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนได้ส่งพบได้ส่งรู้เพื่อความสุขและความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆของใจวันพระนี้ถือว่าเป็นวันที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าทรงกำหนดให้ชาวพุทธเราหยุดภารกิจการงานต่างๆไว้หนึ่งวัน เพื่อที่จะได้มีเวลามาทำทุระของชาวพุทธอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์คือคันธทุระและวิปัสสนาทุระแต่เนื่องจากสมัยนี้มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้วันหยุดทำงานของเรานี้จะหยุดกันในวันพระกัน วันโกนหรือวันพระวันโกนก็คือวันก่อนวันพระหนึ่งวันแล้วก็วันพระจะเป็นวันที่หยุดทำงานข้าราชการห้างร้านต่างๆสมัยก่อนนี้จะหยุดทำงานกันในวันโกนหรือวันพระแต่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของโลก มีการติดต่อทำการค้าธุรกิจกับต่างประเทศซึ่งต่างประเทศนานาประเทศเขานั้นเขาจะหยุดทำงานกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ทางราชการของเราทางบริษัททางร้านต่างๆก็เลยเปลี่ยนวันหยุดทำงานมาให้ตรงกับนานาประเทศเขาคือมาหยุด ในวันเสาร์และวันอาทิตย์กันจึงทำให้เวลาที่เป็นวันพระเช่นวันนี้วันพระนี้จะตรงกับวันจันทร์ซึ่งไปตรงกับวันทำงานของศรัท ธ, ธาญาติโยมทั้งหลายก็เลยจะทำให้ไม่สามารถที่จะ มาวัดมาทำธุระของชาวพุทธได้เพราะจะต้องไปทำงานทำการกันชาวพุทธเราก็เลยถือว่าเสียวันเสียวันพระไปมีวันพระแต่ไม่สามารถทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้ทำได้ การสูญเสียวันพระนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจน่าวิตกเพราะทำให้ชาวพุทธเหล่านี้มีโอกาสเข้าวัดน้อยลงไปปกติถ้าเรายังถือวันหยุดทำงานตามวันพระอยู่ตามวันขึ้นแรม8ดข้าหรือส5ห้าข้ามสบสี่ข้ามอยู่เราก็จะมีวันพระเดือนละสีครั้งด้วยกัน แต่สำหรับคราวนี้วันพระของเราเริ่มไปตรงกับวันจันทร์เข้าซึ่งไม่ได้ตรงกับวันหยุดทำงานก็จะทำให้ผู้ที่ต้องไปทำงานนั้นไม่สามารถหยุดทำงานเพื่อมาทำในทางของพระพุทธศาสนาได้แล้วก็จะทำให้เดือนเดือนหนึ่งนี้วันพระหายไป หลายวันด้วยกันฝ่าจะวันพระจะกลับมาตรงกับวันเสาร์อาทิตย์อีกครั้งหนึ่งก็อีกสองเดือนขึ้นไปทำให้เราเสียวันพระไปเกือบสองเดือนด้วยกันหรือประมาณสองเดือนอันนี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกเพราะจะทำให้เรานี้อยู่ห่างไกลจากคาสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าอยู่ห่างไกลจากการปฏิบัติเพื่อให้เราได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงไปแต่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะแก้ไขกันได้ คือเราก็ต้องปรับวันพระของเราใหม่แทนที่เราจะตามวันพระแบบโบราณคือวันขึ้นแรมเช่นวันนี้เป็นวันแรมสิบสี่ค่ำหรือสิบห้าค่ำนี้ขึ้นแรมแปดแปดค่ำสิบห้าค่ำสิบสี่คาำนี้เราก็ต้องปรับใหม่เพราะวันแรมคือวันขึ้นแรม ที่เป็นวันพระนี้เป็นมันไม่ตรงกับวันหยุดทำงานของเราสมัยนี้วันหยุดทำงานของเรานี้มันไปตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นเราควรที่จะปรับวันพระของเราใหม่ให้มาตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งเพื่อที่เราจะได้มีเวลาที่เราจะได้มาทำ ทุระของชาวพุทธเราคือคันธทุระและวิปัสนาทุระศึกษาคำสั่งคำสอนด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาคำสั่งคำสอนที่เราได้ศึกษานี้มาปฏิบัติเพื่อให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปทรงเห็น ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราจะเสียเวลาเสียโอกาสอันมีค่าที่เราจะได้เอามาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อการเจริญก้าวหน้าในทางธรรมเพื่อให้จิตใจเราสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นและมีความทุกข์น้อยลง จนถึงขั้นสูงสุดและหมดพน้นจากความทุกข์อย่างหมดจดหมดสิ้นเราต้องรักษาวันพระของเราไว้เดือนหนึ่งเราควรจะต้องมีเดือนละสี่วันเหมือนเหมือนเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เราหยุดทำงานวันโกนวันพระกันเดือนหนึ่งเราก็จะมีวันโกนวันหรือวันพระเดือนละสี่ครั้ง แสมัยนี้เราไม่ได้หยุดทำงานตรงกับวันโกนหรือวันพระเรามาหยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็ต้องปรับเปลี่ยนเอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้มาเป็นวันพระแทนเพราะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้เราไม่ต้องไปทำงานทำการเราก็จะได้ใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้ มาให้กับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเราก็สามารถไปวัดกันได้ไปวัดที่มีกิจกรรมคือมีการแสดงธรรมมีการปฏิบัติธรรมเราก็จะได้ไม่ขาดทุนเราก็ยังรักษาวันพระที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้กับพวกเรา ไว้กับการไว้เพื่อการปฏิบัติเพื่อการศึกษาธรรมะอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าไว้ได้ถ้าเราไม่ปรับแล้วถ้าเรายังจะยึดวันพระแบบเดิมอยู่เดือนนี้และเดือนต่อไปนี้วันพระจะไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เมื่อไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านก็ไม่สามารถที่จะหยุดทำงานได้ เพราะถ้าหยุดทำงานก็ต้องลาถ้าลาถ้าลามากๆเกินวันที่เขาให้ลาก็อาจจะถูกตำหนิหรือถูกถูกทําการอย่างใดอย่างหนึ่งกับเราได้อย่างนั้นเพื่อไม่ให้เสียวันพระอันมีคุณค่าอันเลิศอันประเสริฐไปนี้เราควรที่จะเปลี่ยนวันพระใหม่ให้มาตรงกับวันหยุดของเราในสมัยปัจจุบันนี้ คือในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งเพื่อที่เราจะได้คงรักษาวันพระไว้เหมือนเดิมคือเดือนละสี่วันดืวยกันนี่แหละคือสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องตื่นตระหนกแลวต้องรู้จักปรับตัวเองเราต้องถามตัวเองว่าวันพระมีไว้ทำไมวันพระก็มีไว้ศึกษาปฏิบัติ พระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองเพราะวันอื่นเราไม่สามารถที่จะทําได้เพราะวันอื่นนี้เราต้องไปทําภารกิจการงานต่างๆต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องดูแลบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยเราก็ต้องไปหาเงินหาทองทํางานทําการกันเราก็เลย จะไม่มีเวลาที่จะมาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเพราะทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปรอวันพระแบบเดิมอยู่ก็จ้งอาจจะต้องรอไปถึงนูนะ่นอีกสองเดือนวันพระถึงจะมาตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราปรับวันพระใหม่ ให้มาตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็บอกตัวเราเองว่าต่อไปนี้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้จะเป็นวันพระเพราะเป็นวันที่เราไม่ต้องทำงานทำการทำมาค้าขายเลี้ยงปากเลี้ยงทองเราก็จะได้เอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดของเรานี้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมกัน ถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้เราจะไม่สามารถพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงจนไปถึงขั้นสูงสุดคือพระนิพพานได้เลยถ้าเรามัวแต่รอให้มีวันทระแล้วเราถึงค่อยไปปฏิบัติแบบวันแบบสมัยก่อน วันพระของเราก็จะน้อยลงไปปีหนึ่งอาจจะมีไม่กี่วันด้วยกันเราต้องรักษาวันพระของเราไว้อย่าไปถือตามปฏิทินสมัยโบราณอย่าไปถือวันพระตามวันขึ้นแรมเจ็ดค่ำแปดค่ำหรือสิบสี่สิบห้าค่ำเพราะมันไม่ได้ตรงกับวันหยุดทำงานของเราแล้วเราต้องปรับ วันพระมาให้ตรงกับวันหยุดทำงานของเราคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะการที่เราจะศึกษาและปฏิบัติธรรมได้เราก็ต้องมีเวลาถ้าเราต้องไปทำงานอย่างวันนี้เราก็จะไม่สามารถมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าเราทําธุรกิจ หรือเป็นลูกจ้างที่เขาให้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันนี้เราก็จะหยุดไม่ได้ยกเว้นพวกที่เป็นคำธุรกิจส่วนตัวพวกที่สามารถเลือกวันหยุดของตนเองได้ก็ยังพอที่จะรักษาตามวันพระเดิมได้แต่ก็ จ, จะลําบากเพราะธุรกิจถ้าเรามาหยุดวันพระอย่างวันนี้ เราก็จะเสียโอกาสเพราะเป็นวันทำงานของคนอื่นของบริษัทอื่นเวลาเขาจะมาติดต่อกับธุรกิจของเราเรามาหยุดเสียวันนี้มันก็ทำให้เราเสียโอกาสในการทาธุรกิจได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเราควรเปลี่ยนวันพระใหม่จะไปรอให้ทางการหรือทางคณะสงฆ์มาประกาศเปลี่ยนวันพระก็เป็นของยาก เพราะเขายังยึดอยู่กับประเพณีเดิมอยู่เขาไม่มีใครกล้าที่จะมาเปลี่ยนเปลี่ยนวันพระมาให้ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เพราะมันเป็นประเพณีที่ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาตั้งตั้งตั้งแ ต, ต, งแตดง่ดั้งเดิมตั้งแต่มีพระพุทธศาสนามาอยู่ในประเทศไทยนี้เราก็มีวันพระ ตรงกับวันขึ้นแลมเราไม่เคยมีวันพระที่ตร ง, ตรงกับสาวันอาทิตย์กันแต่ถ้าเรามองตามเหตุผลว่าทำไมเรามีวันพระไว้เพื่อทำอะไรเรามีวันพระไว้เพื่อที่เราจะได้มาศึกษามาปฏิบัติมาทำทุระของพุทธศาสนกชนคือคันถะทุระแนะวิปัสสนาทุระ เราก็ตามเป็นเราก็จะต้องมีเวลาให้กับการศึกษากับการปฏิบัติเราก็ต้องทำในวันที่เรามีวันหยุดทำงานแต่สมัยนี้วันหยุดทำงานของเราไม่ได้ตรงกับวันขึ้นแรงของวันพระเหมือนสมัยโบราณวันหยุดทำงานของเรามาตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์วิธีง่ายที่สุดก็คือเรามาปรับวันพระของเราเอง ไม่ต้องไปรอให้ทางการทางผู้ที่มีอำนาจมากำหนดเพราะเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ความหมายของวันพระว่ามีไว้เพื่ออะไรเขาก็เลยยึดยึดติดอยู่กับขนมรรเนียมประเพณีอันเดิมอยู่วันพระก็ต้องเป็นวันขึ้นแลมเจ็ดค่ำแปดค่ำจะมาตรงกับวันสาวนณอาทิตย์เปลี่ยนวันสาวาอาทิตย์ได้อย่างไร เดี๋ยวไปขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้จะโอกาสที่จะให้เปลี่ยนวันวันพระมาให้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นี้คงจะยากเราต้องมาเปลี่ย น, นเองถ้าเราเปลี่ยนเองนี้ไม่มีใครมาว่าเราได้เพราะเราเป็นคนเปลี่ยนเองเราไม่ได้ไปทำให้คนอื่นเขาเปลี่ยนเราเปลี่ยนเฉพาะตัวเราเองก็พอ อย่างทางทางพระเราก็เมื่อก่อนนี้อาจจะมีการแสดงธรรมมีกิจกรรมเฉพาะวันพระวันเดียวแต่เดี๋ยวนี้บางแห่งท่านก็มีกิจกรรมมีการแสดงธรรมในวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยเพราะท่านเห็นว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันที่ศรัทธายายิอยู่จะมีเวลาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมได้นั่นเองดังนั้น เพื่อไม่ให้สูญเสียวันอันมีค่าคือวันพระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้กับชาวพุทธเหล่านี้ขอให้ชาวพุทธเหล่านี้มาปรับวันพระกันให้มาตรงกับวันหยุดทำงานของเราอันนี้แหละจะเป็นการรักษาอนุรักษ์ขนกธรรมเนียมที่ดีงามก็คือการได้ศึกษาได้ปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เป้าหมายของวันพระคืออะไรก็คือให้เรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันวันพระจึงเป็นวันธรรมวัฒนวันฟังธรรมวันฟังธรรมก็คือการศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็คือคันธุระและในขณะที่เราฟังธรรมเราก็สามารถปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกันได้ด้วย ถ้าเราฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบฟังด้วยสติคือคอยควบคุมกายไม่ให้ขยับะปเยื่นคอยควบคุมวาจาไม่ให้พูดไม่ให้คุยแล้วคอย ค, ควบคุมใจคือความคิดไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆให้คิดอยู่กับธรรมะที่กําลังได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เพียงอย่างเดียวอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติไปด้วย แล้วก็เรียนรู้ศึกษาพราะธรรมคำสอนไปด้วยเราก็จะได้รับประโยชน์เพราะเราจะได้เอาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้านี้เข้ามาสู่ใจของพวกเราตามลำดับเราเอาธรรมะเข้ามาสู่ใจเราได้มากเท่าไหร่เราก็จะได้ความสุขความเจริญของใจมากขึ้นไปเท่านั้น และเราก็จะได้ลดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้น้อยลงไปตามลำดับจนจนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจเลยถ้าเรามีการศึกษาและการปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดตอนการศึกษาและการปฏิบัติของเราก็จะพาเราขึ้นไปในระดับชั้นต่างๆ เหมือนกับการที่เราไปศึกษาตามโรงเรียนต่างๆเราก็เริ่มต้นจากชั้นอนุบาลแล้วก็เราก็ขึ้นสู่ชั้นประถมสู่ชั้นมัธยมแล้วก็สู่ชั้นระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทปริญญาเอกมันต้องขึ้นไปเป็นขั้นๆ ข, ขึ้นไปเพราะมีการไปเรียนอยู่เรื่อยๆถ้าเราขาดการเรียน ไม่ไปเรียนเรียนน้อยกว่าขาดโอกาสที่เราจะเลื่อนเลื่อนชั้นขึ้นไปนี้ก็คงจะเป็นไปได้ยากเพราะเวลาที่เราสอบเราก็จะสอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนอย่างสม่ำเสมอความรู้ที่เราจะรู้ได้จากการลร่มเรียนก็จะรู้ไม่ครบถ้วนกระบวนการพอเวลาที่จะต้องทำข้อสอบ เราก็จะทำไม่ได้พอทำไม่ได้เราก็จะเลื่อนชั้นเลื่อนเลื่อนขั้นขึ้นไปไม่ได้จากอนุบาลเราก็อาจจะต้องอยู่อนุบาลไปหลายรหลายปีด้วยกันจนกว่าเราจะสอบผ่านถึงจะเข้าสู่ระดับปถมได้เพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมและการปฏิบัติธรรมนี้ก็เป็นสิ่งที่จาเป็นที่จะต้องมีการกระทำกันอย่างต่อเ น, นื่อง ไม่ให้ขาดตอนเพื่อที่เราจะได้ยกระดับการศึกษาการปฏิบัติของเราขึ้นขึ้นไปสู่ชั้นที่สูงขึ้นที่ยากขึ้นที่ให้ประโยชน์สุขมากขึ้นตามลำดับนั่นเองการศึกษาทางธรรมก็เหมือนการศึกษาทางโลกการเปศึกษาแล้วก็ปฏิบัติควบคู่ไปด้วยกัน ขั้นต้นของการศึกษาและปฏิบัติของธรรมขั้นต้นก็คือการศึกษาเรื่องการทำบุญทาทานการทาบุญทาทานทำอย่างไรแอ้วจากแล้วก็ไปขั้นที่สองก็ไปการศึกษาเรื่องศีลว่ารักษาศีลอย่างไรศีลคืออะไรแล้วก็ไปขั้นที่สามคือขั้นภาวนา าภาวนานี้เป็นอย่างไรต้องทำอย่างไรถึงจะถือว่าได้ภาวนาเป็นตน้นนี่เป็นขั้นเป็นตอนที่เราต้องศึกษาและปฏิบัติกันขั้นแรกท่านก็สอนให้เรามาเรียนรู้เรื่องการทำบุญทำทานกันก่อนคำว่าทานนี้แปลว่าการให้จะให้ใครก็ได้ไม่สำคัญ ขอให้มีการให้เวลาให้แล้วก็จะเกิดผลผลก็คือความสุขใจอิ่มใจความสุขใจอิ่มใจนี้เราเรียกว่าบุญทานเป็นเหตุบุญเป็นผลแต่เรามักจะใช้คำสองคานี้แทนกันบางทีเราก็บอกว่าไปทําทานบางทีเราก็บอกว่าไปทําบุญ แต่ความหมายมันก็เป็นอันเดียวกันเพราะมันต้องทำทำทานมันถึงจะได้บุญถ้าไม่ได้ทำทานมันก็จะไม่ได้บุญแต่เราก็เอาทานกับบุญนี้มาแยกถ้าเราให้กับคนธรรมดาเราก็เรียกว่าทำทานแต่ถ้าเราให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าเราก็เรียกว่าทำบุญ แต่ความหมายที่แท้จริงก็คือเป็นการให้เหมือนกันให้พระภิกษุสงองค์เจ้าหรือให้คนธรรมดาคนที่ไม่ได้เป็นภิกษุไม่ได้เป็นนักบวชก็เป็นการให้เหมือนกันเป็นทานเหมือนกันให้พระก็เป็นทานให้คารวะญาติโยมก็เป็นทานแล้วผลที่ได้รับก็คือบุญ ให้พระก็ได้บุญให้คารวะก็ได้บุญเช่นคารวะเป็นใครบ้างก็บุคคลที่มีพระคุณกับเราเช่นบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์เนี่ยถ้าเราให้อะไรกับท่านไปให้ข้าวของเงินทองให้ท่านมีความสุขจากการให้ของเราเราก็จะได้ความสุขใจกลับมา คามสุขใจอิ่มใจความสุขใจอิ่ใ จ, ใ, จอใจก็คือบุญให้ใครก็ได้ทานนี้แปลว่าให้ไม่ได้ไม่ได้จํากัดว่าให้ต้องให้คารวะอย่างเดียวให้พระไม่ได้ให้พระนี้ต้องให้บุญต้องทำบุญไม่ใช่การทำบุญก็คือการทำทานเพื่อให้เกิดบุญไม่เหมือนกัน เพราฉะนั้นขอให้เราเข้าใจคําว่าทานไว้ว่าทานนี้ไม่ได้ไม่ได้แยกแยะว่าจะให้ใครก็ก็เป็นทานเหมือนกันไม่ใช่ว่าให้ให้พระเรียกว่าเป็นการทําบุญให้คาวราวะผู้ครองเรือนี้เรียกว่าเป็นการทําทานอันนี้เป็นการเข้าใจผิดขอให้เราเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคําว่าทาน ทำทานแปลว่าการให้การเสียสละแบ่งปันสิ่งของที่เรามีอยู่สิ่งของที่เป็นของเราที่เราอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องมีเก็บเอาไว้บางทีเราทํามาหากินหาเงินหาทองเราก็อาจจะหาได้มากกว่าที่เราจําเป็นจะต้องมีก็ได้เพราะเราอาจจะโชคดี มีมีความสามารถในการทำมาหากินทำให้เรามีรายได้เข้ามามากเกินกว่ารายจ่ายของเราเรามีรายได้เหลือจากรายจ่ายเราก็เก็บไว้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับเราตายไปเราก็เอาไปกับเราไม่ได้เราก็เอามาเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่า เพราะบุญนี้เป็นสิ่งที่เราเอาไปกับเราได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่นี้เวลาเราตายไปนี้เราเอาไปกับเราไม่ได้แต่ถ้าเราเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้ไปแจกไปจ่ายไปให้ผู้ไปช่วยเหลือผู้ไปช่วยแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้ใครก็ได้ให้เพื่อทดแทนบุญคุณเช่นให้บิดามารดาปุยญาติายายก็ได้ ให้เพื่อทานุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ได้หรือให้สงเคราะห์สัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้ให้โรงพยาบาลก็ได้เพราะโรงพยาบาลจะได้เอาไปช่วยเหลือคนที่เจ็บไข้ได้ปวยให้โรงเรียนก็ได้เพื่อโรงเรียนจะได้เอาไปช่วยเหลือเด็กยากจนที่ไม่มีค่าใช้ที่ไม่มีค่าไม่มีเงินจ่ายค่าเล่าเรียน ก็อาจจะเอาเงินที่เราบริจาคให้โรงเรียนนี้มาจ่ายให้กับเด็กนักเรียนยากจนเพื่อให้เด็กเด็กนักเรียนที่ยากจนนี้ได้เรียนหนังสือได้มีวิชาความรู้เพื่อที่เขาจะได้มีเวลาที่เขาโตขึ้นเขาจะได้มีมีความรู้เอาไปทำมาหากินโดยสุจริตไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่สังคมถ้าเขาไม่มีความรู้ เขาก็จะไปทํางานทําการไม่ได้เมื่อเขาหาเงินจากการทํางานที่สุดจริตไม่ได้ในการที่เขาจะต้องอยู่รอดเขาก็อาจจะต้องไปทํางานที่ทุดจริตไปลักขโมยไปโป้นไปจี้ก็ได้แต่ถ้าเราเสียสละทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองของเรานี้ให้กับบุคคลที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อน เพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือร้อนให้กับเขาเพื่อให้เขาได้มีโอกาสทำมาหากินอย่างสุดจิตในสังคมเราก็ควรจะทำกันเพราะเงินทางที่เรามีเหลือเกินกว่าที่เราจะใช้ได้เก็บเอาไว้เราก็ไม่ได้ใช้ไม่เป็นประโยชน์ตายไปเราก็เอาไปกับเราไม่ได้เราสู้เอามาทำประโยชน์สองต่อดีกว่า าาาการทำบุญทำทานการทำทานนี้ได้ประโยชน์สองต่อนะต่อแรกก็คือคนที่เขารับทานจากเรารับทานช่วยเหลือจากเรา<ม>เขาเดือดร้อนเขาขาดแคลนอะไรเราก็หาสิ่งที่เขาเดือดร้อนขาดแคลนมาให้กับเขาเช่นถ้าเขาขาดอาหารขาดเครื่องนึ่งหม่มขาดยารักษาโรคเราก็ให้สิ่งที่เขาขาดแคลนเขาก็จะได้รับประโยชน์จากการให้ของเรา ส่วนเราเราก็จะได้รับประโยชน์จากการให้ของเรานี่ เ, เพราะเวลาให้แล้วใจของเราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาแล้วความสุขใจอิ่มใจนี่แหละที่เราเรียกว่าบุญที่จะมารับใช้เราตอนที่ร่างกายของเราตายไปแล้วเวลาร่างกายตายไปแล้วเราอาศัยเงินทองไม่ได้แล้ว เราต้องอาศัยบุญบุญนี่แหละที่จะทำให้เรามีความสุขใจอิ่มใจบุญนี่แหละที่จะทำให้เราเป็นเศรษฐีในขณะที่เราเป็นดวงวิญญาณในขณะที่เราไม่มีร่างกายพวกที่มีบุญนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกเศรษฐีบุญพวกเศรษฐีบุญเวลาตายไปนี่ก็คือพวกเทวดานี่าการทำทาทานการให้นี่ เป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นตอนนี้จิตใจของเราเป็นมนุษย์จะสูงขึ้นจากมนุษย์ได้ต้องมีการทำทานถ้าไม่มีการทำทานนี้ก็ยังจะเป็นมนุษย์อยู่ไม่สามารถขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาได้อยู่อย่างมนุษย์ก็ไม่สุขเท่ากับอยู่อย่างเทวดาในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่ ใจของคนที่เป็นมนุษย์กับใจของคนที่เป็นเทวดานี้จะต่างกันคนที่เป็นมนุษย์นี้จะมีความสุขน้อยกว่าคนที่เป็นเทวดาคนที่ทำบุญคนที่ทำทานนี้จะมีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ได้ทำบุญทำทา น, นนี่คือการยกระดับการใช้ทรัพสมบัติเข้าของเงินทอง ให้ประโยชน์กับเราทุกบาททุกสตางค์อยากเก็บเอาเงินทองไว้เฉยๆเพราะมันจะไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราตายไปเราก็เอาไปไม่ได้ขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราก็ไม่ได้ใช้มันก็เก็บมันไว้เฉยๆแล้วก็จะมากลายเป็นภาระให้เราต้องมาคอยวิตกกังวลเพราะเรามีอะไรเราก็จะรักจะหวง เราจะทำให้เราแทนาที่จะมีความสุขกับเงินทองก็กลับจำให้เรามีความทุกข์กับเงินทองที่เรามีอยู่เพราะเราอาจจะวิตกกังวลว่ามันจะสูญหายไปหรือเปล่ามันจะถูกใครลักขโมยไปหรือเปล่าจะถูกใครชอโกงไปหรือเปล่าฉะนั้นถ้าเราต้องการที่จะกำจัดปัญหาเหล่านี้ก็อย่าเก็บเอาไว้มากเก็บไว้เท่าที่จาเป็น ส่วนที่เหลือนี้เอาไปเปลี่ยนเป็นบุญดีกว่าเพราะเวลาเป็นบุญแล้วเวลาตายไปแล้วเอาบุญไปได้แต่เราเอาเงินเอาทองไปกับเราไม่ได้เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราเอาเงินบาทไปใช้ที่ต่างประเทศไม่ได้ <m im it> เราต้องเปลี่ยนเงินบาทก่อนเราไปประเทศญี่ปุ่นเราก็ต้องเปลี่ยนเงินบาทให้ไปเป็นเงินของประเทศญี่ปุ่น ไปประเทศอเมริกาเราก็ต้องเปลี่ยนเงินของประเทศไทยให้เป็นเงินของประเทศอเมริกาเพราะมันจะได้สะดวกกับการใช้จ่ายพอเราไปถึงอเมริกาเราก็ใช้เงินของอเมริกาได้เลยพอเราไปญี่ปุ่นเราก็ใช้เงินของญี่ปุ่นได้เลยนั้นใดเวลาเราตายไปก็เหมือนกับเราเดินทางออกจากโลกของของมนุษย์นี้ เวลาเราออกจากโลกมนุษย์นี้เงินทองที่เราใช้ในโลกมนุษย์นี้เราใช้ไม่ได้เอาติดตัวไปไม่ได้เราต้องใช้บุญเวลาที่เราไม่ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเวลาที่ร่างกายนี้ตายจากโลกนี้ไปแล้วในขณะนั้นเราต้องใช้บุญใช้บุญซื้อของจาเป็นต่างๆซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่หงห่มซื้อความสุขต่างๆ คนที่มีบุญติดตัวไปยึงไปอยู่แบบเทวดาวเรียกว่าเศรษฐีบุญอยู่แบบเศรษฐีบุญคนที่ไม่ได้ทำบุญไปก็จะไปอยู่แบบขอทานพวกที่มารอรับส่วนบุญขนาดเวลาที่เราทำบุญและเราอุทิศบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วผู้ที่มารอรับส่วนบุญนี้เป็นพวกที่เป็นขอทานเป็นพวกที่ไม่มีบุญติดตัวไป ก็เลยต้องมาอาศัยบุญที่พวกเราอุทิศไปให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเราะนั้นเราอย่าไปเป็นขอทานเวลาเราตายไปเราไปเป็นเศรษฐีดีกว่าตอนนี้ถ้าเราอยากเป็นเศรษฐีเราก็ต้องรีบเปลี่ยนเปลี่ยนเงินทองมาให้เป็นบุญเพราะบุญนี้เป็นเงินที่เราจะจะไปใช้ในโลกทิพย์ต่อไป mm hmm. ในโลกทิพย์นี้แล้วเอาเข้าวของเงินทอง ที่เราใช้ในโลกนี้เอาไปใช้ไม่ได้ต้องใช้ใช้บุญเท่านั้นนี่คือประโยชน์ของการทำบุญทำทานเราต้องยกระดับใจของเราให้สูงขึ้นเพราะว่าความสุขมันจะมากขึ้นความทุกข์มันจะน้อยลงไม่มีใครต้องการความทุกข์ทุกคนอยากจะให้ความทุกข์นี้หายไปหมดอยากจะให้มีแต่ความสุขอย่างเดียว แต่ความอยากของเรานี้ไม่สามารถทำให้ความทุกข์ในใจเราหายไปเองได้ไม่สามารถทำให้ความสุขในใจเราเพิ่มขึ้นมาได้ตามความอยากของเรามันจะขึ้นมาได้ความสุขจะเพิ่มขึ้นมาได้ก็อยู่ที่การเราทำบุญเราทำทานนี่เองแล้วความทุกข์ที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดเราต้องก็เราก็ต้องกำจัดมัน วิธีกาจัดความทุกข์ก็ต้องไปกาจัดเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ความทุกข์นี้มันก็เกิดจากการทำบาปของเรานี่ เ, เวลาเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเวลาเรารักทรัพย์เวลาเราประพฤติผิดประเพณีเวลาเราพูดปดมดเท็จโกรหกหลอกลวงใจของเราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์ใจมีความวิตก กังวลมีความหวาดตัวต่อวิบากกรรมต่อผลของการทาบาปของเราอันนี้ถ้าเราต้องการกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาทางกายและทางวาจาของเราเราก็ต้องมารักษาศีลห้ากันอันนี้เป็นขั้นที่สองขั้นที่หนึ่งก็ให้เราทำบุญทำทานกันเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้น แล้วข้อที่สองก็มารักษาศีลกันการรักษาศีล น, นี้นอกจากทำลายความทุกข์ที่เกิดจากการกระทาบาปแล้วยังป้องกันไม่ให้ใจลงต่ากว่าการเป็นมนุษย์หรือการเป็นเทพเพราะถ้าเราทำบาปนี้บาปนี้จะดึงให้ใจเราลงต่ำกว่ามนุษย์ลงไปเป็นเดรัจฉานลงไปเป็นเปรต ล ง, ปปลงไปเป็นนสุลกายลงไปเป็นนรกอยู่ที่การกระทำบาปอยู่ที่การไม่รักษาศีลสี่ข้อนี้และ 5, ข้อที่ห้าก็คือการดื่มสุรายาเมาการดื่มสุลานี้เป็นเหตุที่จะทําให้เราทําบาปได้ง่ายถึงแม้ว่าการดื่มเองนี่ไม่ได้เป็นบาปโดยตรงแต่มันก็เป็นตัวที่กระตุ้นหรือตัวที่จะทําให้การทาบาปนี้เกิดขึ้นได้ง่าย พอเวลาที่เราดื่มชโลาแล้วเกิดอาการมึนเมาเราจะไม่มีสติคอยยับยั้งความคิดที่ไม่ดีเวลามันโผลขึ้นมาความคิดที่จะทำบาปความคิดที่จะรักทรัพย์ความคิดที่จะประพฤติผิดประเพณีความคิดที่จะโกหกหลองลวงนี้มันจะยับยั้งได้ลาบากเพราะเหมือนรถที่ไม่มีเบรกลถไม่มีเบรกเวลามาถึงสี่แยกไฟแดงก็จะหยุดไม่ได้ ก็จะต้องไปชนกับรถคันอื่นขันใดการดื่มสุราก็เลยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกระทําบาปถึงแม้ว่าการดื่มเองไม่ได้เป็นกระทําบาปไม่เป็นการกระทําบาปแต่มันเป็นตัวที่จะกระตุ้นหรือสนับสนุนการกระทําบาปให้เกิดขึ้นได้ง่ายก็เลยต้องเก็บต้องเป็นข้อที่ห้าของศีลคือต้องไม่ดื่มสุรายาเมาหรือของบุญเมาอย่างอื่น สมัยนี้มันมีของบุนเมาอย่างอื่นที่เสพเข้าไปเช่นยาบ้ายายาอะไรต่างๆนี้พอเสพเข้าไปแล้วมันจะทําให้ขาดสติกันจะไม่สามารถควบคุมความคิดที่ไม่ดีได้พอไม่มีอะไรมาควบคุมขาดคิดไม่ดีมันก็จะพูดไม่ดีทําไม่ดีทันทีนก็จะไปทำบาปกันที เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยต้องเอาสุรานี้เข้ามาไว้ในศีลห้าด้วยอย่าทําบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่ารักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่าพูดปดอย่าดื่มของมึนเมาอย่าเสพของมึนเมาต่างๆถ้าเรารักษาศีลห้าข้อนี้ได้เราก็จะปิดประตูบ่ายได้เราก็จะตายไปใจเราจะไม่ตกต่ํากว่ามนุษย์ ถ้าเราทำบุญใจก็เราก็จะสูงกว่ามนุษย์เป็นเทพแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลถึงแม้เราอาจจะมีการทาบุญอยู่ก็ตามแต่ถ้าบาปที่เราทำนี้มันหนักกว่าบุญที่เราทำบาปมันจะส่งผลก่อนบาปมันจะดึงให้เราไปไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรต เ, เป็นสัตว์นรกก่อนถึงแม้เราจะได้ทำบุญอยู่ก็ตาม แต่ถ้าบุญของเรานี้น้อยกว่าบาปที่เราทำไว้บาปมันจะมีกําลังมากกว่าบุญแล้วบาปมันก็จะดึงใจให้เราลงต่ำลงไปสู่อบายได้แทนที่เราจะขึ้นสูงเรากับจะลงต่ำและการลงต่ำของใจนี้ก็เท่ากับลงเข้าหาให้มีความทุกข์มากขึ้นสภาพของอบายนี้มันทุกข์มากกว่าสภาพของมนุษย์หรือของ ของเทตของเทวดาความทุกข์มากความสุขน้อยหความสุขแทบจะไม่ค่อยมีเลยสําหรับผู้ที่ไปเกิดในระบายเพราะฉะนั้นนอกจากการทําบุญทําทานแล้วเราต้องรักษาศีลห้าด้วยถ้าเราอยากจะป้องกันใจของเราไม่ให้ลงต่ํากว่ามนุษย์แลนะต้องการให้ใจของเราขึ้นสูงกว่าเป็นมนุษย์ขึ้นสูงด้วยการทําทาน ไม่ลงต่ำด้วยการรักษาศีล น, นี่คือข้อที่ข้อที่สองคือให้เรารักษาศีลให้เราทำทานกันอยู่เรื่อยๆจะให้ใครก็ได้ให้ใครก็เป็นบุญเหมือนกั น, นได้บุญเท่ากันถ้าปริมาณการให้เท่ากันเช่นเรามีร้อยบาทเราให้พ่อแม่เราก็ได้บุญร้อยบาทเราให้พระสงฆ์องค์เจ้า ใส่บาทซื้ออาหารใส่บาทร้อยบาทเราก็ได้บุญเท่าก yes, ันเท่าก well> well well> well> like ันบุญนี้มันมันไม่ได้เลือกคนรับว่าเป็นใครบุญนี้มันอยู่ที่การให้ของเราว่าเราให้มากหรือให้น้อยถ้าเราให้พันบาทเราก็จะได้บุญระดับพันบาทถ้าเราให้ร้อยเราก็จะได้บุญระดับร้อยบุญระดับพันกับระดับร้อยมันก็มากน้อยต่างกันไม่เชื่อลองทดลองสังเกตดู เวลาเราทำบุญร้อยบาทกับเวลาที่เราทำบุญพัน 1, บาทนี้ความรู้สึกในใจเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะอย่างไรจะสุขมากกว่ากาันทำร้อยบาทกับทำพันบาทอันนี้เราพูดถึงในตัวของเราเองไม่ใช่เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเราเปรียบเทียบกับใจของเราเองใจที่ใจของเราที่ทำร้อยบาทกับใจของเราที่ทำพันบาทนี้มันต้องต่างกัน เพราะมันเสียสละไม่เท่ากันเสียสละร้อยบาทมันเสียสละน้อยกว่าเสียสละพันบาทเมื่อเสียสละน้อยความสุขที่เกิดขึ้นก็จะน้อยถ้าเสียสละมากความสุขที่เกิดขึ้นก็จะมากอันนี้เป็นหลักความจริงไม่เชื่อไปลองสังเกตดูวันนี้สมมติว่าวันนี้ตอนต้นคิดว่าจะทำบุญสักร้อยบาทเดี๋ยวลองเปลี่ยนใจมาทำบุญสักพันบาทดูแล้วดูความรู้สึกว่ามันจะ ต่างกันไหมมากน้อยต่างกันอย่างไรอันนั้นแหละคือปริมาณบุญที่เราได้รับจากการทําทานมันต่างกันแต่เราไปวัดกับเงินทองจํานวนเดียวกับคนอื่นไม่ได้นะเพราะคนอื่นนี้เขากับเรามีฐานะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันมีทรัพย์สินไม่เท่ากันแล้วเราทําบุญพันบาทเราอาจจะบริจาคทรัพย์สินไปร้อยละสิบ แต่เราไปเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งที่เขาทําบุญพันบาทแต่เขาบริจากทรัพย์สินร้อยละร้อยละสิบนี่ร้อยละสิบของเราร้อยละร้อยละหน mm ึ hmm. ่งเราก็จะทําบุญเราก็ได้บุญน้อยกว่าเขาได้ความสุขน้อยกว่าเขาเพราะเขาเบิจากร้อยละส mm ิบ hmm. เราเบิจากร้อยละหนึ่งเงินจํานวนเท่ากันในสองคนนี้แต่บุญที่ได้รับอาจจะไม่เท่ากัน นั้นเราเปรียบเทียบไม่ได้ด้วยด้วย ด, ด, ด้วยปริมาณเงินเราจะเปรียบเทียบได้ก็ด้วยที่ปริมาณของสัด ส, ส, ส่วนของทรัพย์สินที่เราบริจาคไปงั<ม>้นคนใดกับคนนี้ทําบุญนี้จึงมีมากน้อยต่างกันคนที่มีน้อยเขาทําน้อย<ม>แต่เขาอาจจะได้บุญเท่ากับคนที่มีมากที่ทํามากกว่าก็ได้เพราะสัด ส, ส่วนของทรัพย์สินของการบริจาคนี้<ม><ม>อาจจะเท่ากันเ<ม><ม>ช่นคนมี คนมีล้านหนึ่งมีร้อยละสิบก็เท่าไหรแสนหนึ่งคนมีหมื่หนึ่งร้อยลสิบก็เท่าไหรก็พันหนึ่งสองคนนี้คนนึงเบิจากแสนหนึ่งอีกคนหนึ่งเบิจากพันหนึ่งนี้แต่บุญที่ได้เท่ากันความสุขใจหิ่มใจเท่ากันเพราะว่าได้เบิจากจานวนทรัพย์สัดส่วนของทรัพย์สินเท่ากันคือร้อยละสิบ คนมคนมีร้านก็เบิจากแสนหนึ่งคนมีหมื่นก็เบิกจากพันหนึ่งก็ร้อยละสิบเหมือนกันความรู้สึกคือบุญที่ได้จากการเสียสละก็เท่ากันเหมือนกันอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบคนสองคนนะเราต้องไม่เปรียบเทียบที่ปริมาณเงินอย่างเดียวเราต้องเปรียบเทียบที่ทสัดส่วนของทรัพย์สินที่เขาเบิจากไปแต่ถ้าในตัวของเราเองคนเดียวเนี่ย ถ้ า, ราบริจาคทรัพย์สินร้อยละสิบกับร้อยละยี่สิบอย่างไหนจะจะมีความรู้สึกได้บุญมากกว่าจะสุขกว่ากันเช่เราเบริจาคร้อยหนึ่งกับบริจาคสองร้อยอย่างเงี้ยอย่างไหนจะมากกว่ากันเราเบริจาคสองร้อยมันก็รู้สึกว่าเราได้เสียสละมากกว่าร้อยหนึง่งมันมันก็จะทำให้เรารู้สึกมีความสุขใจอิ่มใจมากกว่าการที่เราเบริจาคร้อยหนึ่งถ้าเราเบริจาคสองร้อย อันนี้เราเปรียบเทียบได้ตามปริมาณเงินถ้าเป็นตัวของเราคนคนเดียวกันแต่ถ้าคนสองคนมาเปรียบเทียบกันนี้เราเราดูที่ปริมาณเงินไม่ได้เราต้องดูสัสดส่วนของทรัพย์สินที่เขาเบิจากว่าเท่าไหร่อันนี้คือเรื่องของการทำทานเพื่อให้เกิดความสุขใจและเพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นถ้าเราทาอย่างนี้ไปแล้วสมมติว่าถ้าเราตายไป เราก็จะไปเป็นเทพเป็นเทวดาแล้วก็สวยหรือเสพ บ, บุญรับผลบุญที่เราได้เป็นเทวดาไปจนกว่าบุญที่เราทํานั้นมันหมดลงเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเมื่อเรากลับมาเป็นมนุษย์ใหม่เราก็จะกลับมาทําบุญต่อเพราะว่าการที่เราเคยทําอะไรมานี้มันจะติดเป็นนิสัยไปถ้าชาตินี้เราเคยทําบุญทําทางเคยรักษาสี่งห้า ชาติหน้าเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เราก็จะมาทำบุญทำทานรักษาศีลห้ามเหมือนชาติก่อน<ม>แต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาให้มากกว่า น, นี้เราก็ต้องเพิ่มการการกระทำให้มากขึ้นคือเราต้องขึ้นไปสู่ขั้นที่สามขั้นขั้นที่ขั้นที่สองเราทำได้แล้ว<ม>เราทำบุญทำทานได้แล้วเรารักษาศีลห้าได้แล้ว ถ้าเราอยากจะยกระดับใจของเราให้สูงกว่าการเป็นเทพเป็นเทวดาเราอยากจะยกให้ขึ้นไปเป็นพรหมพรหมนี่มีความสุขมากกว่าเทวดามีความทุกข์น้อยกว่าเทวดาถ้าเราอยากจะมีความสุขมากกว่าเทวดามีความทุขมกข์น้อยกว่าเทวดาเราต้องภาวนาเราต้องเจริญสมถะภาวนา เปว่าสมถะภาวนานี้แปลว่าการทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งให้เป็นสมาธิให้เข้าฌานให้ได้ให้เข้าสู่ฌานสี่ให้ได้ถึงจะได้เป็นพรลงและการที่เราจะสามารถมาเจริญจิตตภาวนาคือสมถะภาวนานี้ได้เราต้องมีเวลาและสิ่งที่จะช่วยทำให้เรามีเวลาก็คืออะไร ก็คือการรักษาศีลแปดนี่เราต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าไปเป็นศีลแปดเพราะถ้าเรารักษาศีลแปดแล้วเราจะได้ห้ามใจไม่ให้ไปทำกิจกรรมทางกลามทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นศีลข้อสามก็ห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับไข่ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือไม่ก็าตางให้งดกิจอันนี้เสีย ก็จงจะได้เอาเวลาที่ใช้กับกิจอันนี้มาให้กับการเจริญสมถะภาวนานั่นเองนอกจากการล่เว้นจากการร่วมหลับนอนกันแล้วก็ไม่ให้เราเสียเวลากับการรับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานแค่เที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันอย่าเสียเวลากับการไปกังวลกับเรื่องการหาอาหารมารับประทานพอแล้ว เราถ้ารับประทานเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้อยู่ไม่ให้ตายนี้รับประทานแค่เช้าถึงเที่ยงก็พอแล้ว mm hmm. ไม่จาเป็นจะต้องมารับประทานตอนบ่ายตอนเย็นตอนข้ามอีก mm hmm. เราจะได้เอาเวลาที่เรามาใช้กับการรับประทานอาหารนี้ mm hmm. มาให้กับการเจริญส ม, มะถะภาวนา mm hmm. แล้วเราก็ต้องมาห้ามไม่ให้เราไปทำกิจกรรมทางด้านบันเทิงต่างๆ คือไม่ให้หาความสุขจากรูปเสียงกลธธิ่นรสผลทพะทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เราก็ต้องมาถือศินข้อเจ็ดินข้อเจ็ดก็คือไม่ให้ไปดูหนังฟังเพลงร้องราทําเพลงเรื่องอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องบันเทิงทั้งหลายนี้ให้หยุดไปแม้แต่เรื่องข่าวสารทางโลกก็อย่าไปสนใจอย่าไปดูอย่าไปฟังแม้แต่ทางวิชาการทางโลกก็ไม่ให้ทํา วันนี้เราจะทำแต่เรื่องทางธรรมอย่างเดียวถ้าจะดูจะฟังก็ดูธรรมะดูหนังสือธรรมะถ้าจะฟังก็ฟังเทศฟังธรรมได้อยู่แต่อย่าไปดูข่าวทางการบ้านการเมืองหรือวิชาการต่างๆอันนี้เราต้องงดหมดต้องปิดประตูเพราะข่าวาวหรือเรื่องราวต่างๆทางโลกนี้มันจะมากระตุ้นให้ใจเราไม่สงบทำให้ใจเราวิตกกังวล เพียร์กับเรื่องที่เราได้มาได้ยินได้ฟังได้เห็นเราต้องตัดให้หมดเรื่องตาเรื่องรูปเสียงกลิก่นลดต้องมาถือศีลข้อเจ็บนี้ไม่ไปดูไม่ไปเสพเรื่องบันเทิงมหรรยบันเทิงข่าวสารอะไรต่างๆเราต้องการเก็บตัวเราออกจากโลกนี้เพราะโลกนี้มันเป็นไปด้วยเรื่องของความวุ่นวายต่างๆถ้าเราไปติดตามเหตุการณ์ทางโลกนี้ใจเราจะสงบยาก เราต้องการทําใจของเราให้สงบเราต้องป้องกันสิ่งที่จะมาสร้างความวุ่นวายให้กับใจของเราสิ่งที่มาสร้างความวุ่นวายก็คือสิ่งที่มาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ยกเว้นธรรมะเท่านั้นที่ไม่ได้ทําให้ใจเราวุ่นวายแต่จะทำให้ใจของเรามีความสงบมีความสุขนี่คือศินข้อเจ็ดอีกส่วนหนึ่งของศีลข้อเจ็ดก็คือ ไม่ให้เรามาเสียเวลากับการมาเสริมสวยความงามทางร่างกายอย่าไปเสียเวลากับการแต่งเนื้อแต่งตัวทําเผาทําผมทําปากทําตาทําหูทําอะไรต่างๆให้อย่าให้ให้อาบน้ําทําความสะอาดร่างกายให้สะอาดก็พอหวีผ้าหวีผมให้เรียบร้อยก็พอแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายไม่สีไม่ต้องฉูดฉาดขาวชุดขาวก็ได้ชุดขาวดําก็ได้ ก็พอแล้วสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการเจริญสมถะภาวนาแล้วก็ข้อสุดท้ายของสีนแปดก็คือการไม่นับนอนมากเกินไปถ้าเรานอนบนเตียงสำรางมันจะทำให้เรานอนมากเกินไปเตียงสำรางก็คือเตียงที่นุ่มที่สบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนตื่นขึ้นมาแล้วนี่ แทนที่จะลุกขึ้นมาเพื่อมาปฏิบัติธรรมก็จะไม่อยากจะลุกเพราะมันสบายขอนอนต่ออีกสักพักหนึ่งปกติร่างกายนี้ต้องการพักผ่อนคืนละสีห้าชั่วโมงก็พอวิธีที่จะทำให้เราไม่นอนมากก็คือเราต้องนอนบนพื้นแข็งๆปู ด, ด้วยผ้าด้วยเสื่อก็พอถ้าพื้นมันแข็งมันนอนไม่สบาย แต่เวลาที่ร่งางกายเมื่อเวลาร่างกายต้องการพักผ่อนนี้มันหลับได้มันหลับได้ทั้งนั้นอ่ะไม่ว่าจะบนพูกนานาหรือบนพื้นแข็งแข็งแล้วเวลามันพักผ่อนพอแล้วมันตื่นขึ้นมาถ้าเราอยู่บนพื้นแข็งแข็งเราก็จะไม่อยากจะนอนต่อเราก็จะลุกขึ้นมาแล้วเราจะได้มาจเจริญส ม, มะถะภาวนาวต่อไปอนี่ก็คือเรื่องศีลแปดศีลของนักบวช นักบวชทุกคนนี้จะต้องถือศีลแปดแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าก็ต้องถือต้องถือศีลแปดศีลสิบก่อนต้องถึงจะบวชเป็นพระได้ก่อนจะบวชเป็นพระนี่ต้องบวชเป็นสัมมเนยก่อนสัมมเนยก็คือถือศีลสิบนั่ยเองศีลสิบกับศีลแปดก็อันเดียวกันต่างกันตรงที่มีข้อหนึ่งเพิ่มเข้ามาในศีลสิบก็คือไม่ให้จับต้องเงินทองแต่เป็นถ้ายังเป็นฆราว่าสผู้ครองเรือนอยู่นี่ ยังจำเป็นจะต้องมีการใช้เงินใช้ทองเพื่อเลี้ยงดูเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอยู่ <c oughs> ก็เลยไม่ถือข้อนี้ <c oughs> ข้อไม่จับต้องเงินทองแต่สำหรับพระภิกษุพระภิกษุสามนเณร น, นี้ไม่ต้องใช้เงินทองก็ <c oughs> มีคนดูแลเรื่องปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทองไม่ต้องจับต้องไม่ต้องเก็บเงินทองไม่ต้องรักษาเงินทองไม่ต้องใช้เงินทองเนีย่ยนี่คือศีลสาหรับนักบวชทุกคน ถ้าเราต้องการที่จะเจริญขั้นสมถะภาวนาทำใจให้สงบนี้เราต้องมีรักษาสิ้นแปดให้ได้ก่อนถ้าเรารักษาสิ้นแปดได้แล้วเราก็จะได้มีเวลาให้กับการภาวนาอย่างเต็มที่ตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้สิ่งแรกที่เราจำเป็นจะต้องเจริญก่อนก็คือสติเราต้องสร้างสติเพื่อมาหยุดความคิดต่างๆการเจริญสตินี้เราต้องมีอารมณ์ คอยควบคุมใจให้ผูกใจเอาไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆอารมณ์เหล่านี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานนี้ก็มีหลายหลา ย, หลายอารมณ์หลายรูปแบบที่เราเลือกใช้ได้ส่วนใหญ่เราจะใช้อยู่สองสามันด้วยกันอันแรกก็คือพุทธานุสติก็คือให้เราเราเือลกถึงพ่อพระพุทธเจ้าเค่นันเราบริกรรมคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธ เราสามารถเจริญสติได้ตลอดเวลาอันนี้ไม่ได้หมายถึงตอนที่เรานั่งเจริญสตินี้หมายถึงเวลาที่เรายังไม่นั่งเช่นเวลาพอเราตื่นขึ้นมาพอเราจะลุกขึ้นมาพอเราจะเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ใช้พุทโธอยู่นั่นเลยต้องพุทโธพุทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุทโธไปรับประทานอาหารก็พุทโธไปพอเวลาว่างแล้วก็มานั่งสมาธิ เราก็จะมีพุทธโธมาคอยควบคุมความคิดถ้าเราจเจริญสติไว้ก่อนเวลาเรามานั่งสมาธินี้จิตจะนิ่งได้ง่ายได้เร็วแต่ถ้าเราไม่จเจริญสติเลยไม่มีพุทธโธเลยตอนก่อนที่เราจะมานั่งพอเรามานั่งเรามันจะสร้างพุทธโธตอนนั้นมันจะยากเพราะพุทธโธมันมันเพิ่งเริ่มต้นมันจะมีกําลังน้อยมันจะสู้กับความคิดไม่ได้นั่งไปได้สักพักก็นั่งไม่ไหวเพราะว่า พุทโธไม่มีกําลังที่จะไปหยุดความคิดได้<ม>นั่งแล้วก็ต้องยกทงขาวยอมแพ้พราะนั่งแล้วไม่สงบนั่งแล้วฟุง้งซ<ม>่านถ้าจะนั่งมาแล้วแบบไม่ฟุง้งซ่านนี้เราต้องเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งเราต้องพุทโธพุทโธพุทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาปุ๊บ<ม>อย่าปล่อยให้ใจคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้วันนี้เป็นวันหยุดทํางานไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานเรื่องการไม่ต้องคิดถึงใคร วันนี้เราอยู่วัดคนเดียวหรืออยู่บ้านคนเดียวไม่ยุ่งกับใครเราจะมาเจริญสติอย่างเดียวคอยควบคุมความคิดอย่างเดียวแล้วพอเราเสร็จจากงานที่จาเป็นที่เราจะต้องทําเราก็มานั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธถ้าเรามีพุโทโธมานั่งตั้งแต่ตื่นจนมาถึงเวลาที่เรานั่งนี้รับประกรันได้ว่าใจเราจะไม่ฟุง้งและเวลานั่งนี้เราจะรู้สึกนั่งได้ง่ายไม่รู้สึกอัดไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดตรงนั้นตรงนี้ แล้วจิตเราก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้อย่างรวดเร็วได้ง่ายได้อันนี้คือถ้าจิตเราสงบก็ถือว่าจิตเราเข้าสู่ฌานขั้นที่สี่จิตสงบนิ่งรสักแต่ว่ารู้รวมเป็นหนึ่งเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวแล้วก็มีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากความสงบอันนี้แหละเป็นเป้าหมายของการภาวนาของการเจริญสมถะภาวนาเพื่อทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นหนึ่งให้สักแต่ว่ารู้ ให้แยกออกจากร่างกายแล้วก็ให้มีอุบเบกขาคือความวางเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือเป้าหมายแรกของการภาวนาเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงเพราะขณะที่เราอยู่ในฌานอยู่ในสมาธินี้ความทุกข์ไม่มีเลยมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นสภาพที่ชั่วคราวมันอยู่ได้ไม่ตลอด เพราะอยู่ในสมาธิอยู่ในได้ฌานได้สักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะถอนออกมาถอนออกมาแล้วมันก็จะมาเริ่มคิดมาเริ่มรับมาสัมผัสรับรู้กับลูกเสียงกลิ่นรสกับเรื่องราวต่างๆมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์เกิดความวิตกกังวลกับเรื่องราวต่างๆได้ถ้าเราต้องการที่จะกําจัดความทุกข์ความวุ่นวายที่เกิดจากการไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเราก็ต้องเจริญปัญญา เพื่อพิจารณาให้เห็นว่าเรื่องราวต่างๆที่เราไปวิตกไปกังวลไปทุกข์ด้วยนั้ น, เ ป, นเป็นเรื่องราวที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาที่เราทุกข์เพราะว่าเราอยากจะไปควบคุมบังคับมันอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นไปตามที่เราอยากมันก็เลยทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่อยากทุกข์เราก็ต้องยอมรับกับสภาพของเขาเขาจะดีจะช่วเขาจะขึ้นจะลง เขาจะเป็นอะไรอย่างไรนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้พราะเขาเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการทางธรรมชาติเหมือนเหมือนกับฝนตกแดดออกเราไปห้ามเขาไม่ได้ลมพัดเราไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราไม่ให้ทุกได้ถ้าเราเข้าใจเขาเข้าใจเขาว่าเขาเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เราต้องปล่อยเขายอมรับกับความความเป็นจริงของเขา พอเรายอมรับความเป็นจริงของเขาความทุกข์ที่เกิดจากความอยากของเราก็จะหายไปหมดแล้วเราก็จะเหลือแต่ความสุขความสบายใจอยู่กับเหตุการณ์อันร้ายกาจได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่สามารถทําให้ใจเราทุกข์ได้อันนี้คือขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาคือต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่ถ้าเราเห็นไตรลักษณ์เห็นอริยสัจสี่แล้วเราก็จะตัดความอยากหยุดความอยาก พอหยุดความอยากได้ความทุกข์ก็จะหายไปหมดอันนี้เป็นขั้นสูงสุดของการพัฒนาของการปฏิบัติการรู้แจ้งเห็นจริง<ม>เพื่อให้เราเข้าถึงสภาวะที่ใจนี้ไม่มีความทุกข์หลงเหนืออยู่เพราะเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจคือตันหาความอยากนี้ได้ถูกกําจัดด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนาของเราตามลําดับขั้นตอนขึ้นมาตามลําดับนั่นเองอยงในที่สุดความอยากต่างๆก็ถูกกําจัดไปอย่างหมดสิน้นเชิง เมื่อความอยากหมดไปถึงถึงที่เหลืออยู่ความความทุกข์ก็หายไปเมื่อความทุกข์หายไปใจก็เหลืออยู่แต่ความสุขที่เป็นบรลมสุขเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่ถาวร น, นี่แหละคือเรื่องของคัน ถ, ถธุระและวิปัสสนาธุระที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบให้กับชาวพุทธเรามาศึกษามาปฏิบัติกันการจะศึกษาปฏิบัติได้เราต้องมีวันพระมีวันหยุดทํางาน ถ้าเราไม่มีวันหยุดทํางานเราก็จะไม่สามารถมาปฏิบัติได้ดังนั้นถ้าสมัยนี้วันหยุดทํางานของเราไม่ตรงกับวันพระเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระให้มาตรงกับวันหยุดทํางานของเราคือวันเสาร์วันอาทิตย์ต้องกําหนดวันใดวันหนึ่งเป็นวันวันพระของเราแล้วเราก็เอาวันพระของเรานี้มาให้กับการทําธุระทางศาสนาทําคันธะธุระและวิปัสสนาธุระถ้าเราทําได้แล้วรับประกันได้ว่า การพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงก็จะเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนถึงขั้นสูงสุดได้อย่างแน่นอนนี่คือธรรมะที่จะมาฝากทัานในวันนี้จะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรยะถ า, าวาเลวะหาปุราปาริปุเรนติสาคะลัง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 จันโทปณะวัสยธามะนิโชติอะระสสยธาสะพิติโยวิวัจจันโตสะพารโขวินัสสตมาเตภวัตตอันตราวโยสุขิติขายุโกภวะอภิวาทนสิริจานิจังุทาปจายโน จตารโหทัมวาทันติอายุวโนสุขังพาลาช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัตินี้ก็เชิญถามได้วันนี้ถามเองก็ได้เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้าขมาก็ได้ ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง facebook พระอาจารย์ยยี่พระสุชาติไลฟ์็ดสิบเก้า e ดวีชหวิออนไลนค์หน้ากุฏิ82รวมเจ็ห้าค่ะมีคำถามไหม คนถามได้เลยคำถา ม, ถามฝากถามสองคำถามค่ะคำถามแรกขอหลวงพ่อโปรดเมตตาอธิบายคำว่าไม่แบกศีลและไม่รูปคำศีลจะมีหลักปฏิบัติและวิธีวางใจอย่างไรไม่ให้การรักษาศีลเป็นการแบกและรูปคำศีคลคะเราก็ไม่รู้เปนการใครก็พูดว่าแบกศีลเราตอบไม่ได้ร ศีลไม่ได้มีไว้ให้แบกไว้ให้รักษารักษาก็คือไม่ทําตามที่ศีลเขาห้ามเช่นไม่ให้ฆ่าสัตว์ อ, อย่าไปฆ่าสัตว์ อ, อย่าไปรักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเพณีนี่คือการรักษาศีลศีลไม่ได้มีไว้ให้แบกศีลมีไว้ให้รักษาอย่าให้รักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วข้อที่เมื่อกี้เขถามอะไรศีลไม่แบกแล้วไง ค่ะจะมีหลักปฏิบัติและวิธีวางใจอย่างไรจะไม่ให้การการรักษาศีลเป็นการแบกและรูปขับศีลก็รักษาไปตามปกติเพรานั้นเองเวลาจะจะทำผิดก็ห้ามใจอย่าไปทําเวลาจะไปทําบาปก็ต้องห้ามใช้ฮิริโอตปะให้ละอายคนทําบาปนี่เป็นคนที่น่าเกลียดน่ารังเกียจ เราไม่อยากให้เาเป็ น, เ, ป น, นเราไม่อยากให้ตัวเราเป็นคนน่าลังเกตก็อย่าไปทำบาปให้มีโอตปะให้เรามีความกลัวผลของบาปทำบาปแล้วปัจจุบันก็จะทำให้เราทุกข์ใจแล้วตายไปเราก็จะต้องไปเกิดในอาบาย <c oughs> ให้คิดอย่างนี้เราก็จะได้ไม่ไม่กล้าทำบาปเราก็จะรักษาสี่งได้ คำถามข้อที่สองอย่างบางคนที่ต้องการรักษาศีลห้าให้บริบูรณ์ไม่กล้ากวาดบ้านเพราะกลัวไม่กวาดถูกมดตายปลวกขึ้นบ้านไม่กล้ากําจัดแต่ใจทุกข์เพราะกลัวบ้านพังแบบนี้เรียกว่าแบกศีลและยังถือศีลแบบรูปคลำไหมเจ้าคะไม่รู้เหมือนกันแล้แบกก็ไปแล้วหรือว่าไม่รักษาทัานเองคำถามจากคุณกาญธนาทําการ งานให้ทุกอย่างในครอบครัวเสียสละให้ได้มากๆแต่กลับถูกอิจฉาริษยากล่าวโทษเราเราทำนี้สิ่งดีๆให้ครอบครัวแต่เขอคอยกีดกันเราออกไปทุกทางเจอแบบนี้คือกรรมเก่าใช่ไหมเจ้าคะและควรวางใจหรู้ร่วมกันอย่างไรคะ่ะคือเราไปวางความหวังของเราไว้กับการทำความดีของเราไว้อยู่กับผู้ ถ้าเราทำความดีแล้วพูดก็ต้องชื่นชมยินดีไม่ฉาลิษยาอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการทำความดีเราต้องวางอยู่ที่ผลที่ที่ตัวเราที่เกิดขึ้นกับใจเราเวลาเราทำความดีใจของเราจะสูงขึ้นจะมีความสุขมากขึ้นส่วนเรื่องของคนอื่นนี้เราไปห้ามเขาไม่ได้เราจะยินดีด้วยหรือเขาจะไม่ยินดีด้วยนี่เป็นเรื่องของเขา เราอย่าไปมองที่คนอื่นมองที่ใจเราทําบุญเพื่อใจเราเพื่อให้ใจเราเย็นเพื่อใจเราสุขให้ใจเราสบายถ้าเราไปทํามองคนอื่นก็้า จ, จะทําให้ใจเราร้อนขึ้นมาได้ใจเราทุกข์ขึ้นมาได้ฉะนั้ น, นการทําบุญนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครเข้ามาสรรเสริญเยินยอยกย่องชื่นชมยินดีกับการกระทำของเราเราทําเพื่อใจของเรายกระดับใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้น อยากมนุษย์ไทยไปเป็นเทวดาเท่า น, นั้นเองนี่คือการทำความดีให้ดูที่ใจเราเป็นหลักคำถามจากคุณพัทรพลถ้าบริจาคชีวิตและร่างกายจะได้บุญกี่เปอร์เซ็นต์ครับบริจาคตอนไหนล่ะถ้าตอนตายแล้วไม่ได้เลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวถ้าบริจาคตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ได้ตามสัดส่วนของของอวัยวะที่เราบริจาคไป มีสาสสองอาการบริจาคไปอาการหนึ่งก็ได้หนึ่งในสาสบสองได้บุญในหนึ่งในสาสบสองเช่นบริจาคแขนไปหรือขาไปหรือตาไปหรือบริจาคเลือดอย่างนี้ก็ได้แต่ต้องทําตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะตอนที่เราตายไปแล้วเราไม่รู้ว่าเราได้บริจาคหรือไม่ได้บริจาคเมื่อเราไม่รู้เราก็เลยไม่เกิดความรู้สึกวันมีความสศกใจขึ้นมนาะก็เลยไม่ได้บุญ แต่ในขณะที่เรามีชีวิตยอยู่เรารู้ว่าเราได้บริจาคของไปเป็นบริจาคไตไปข้างหนึ่งตาไปข้างหนึ่งเรารู้ว่าเราได้บริจาคเราเห็นคนที่เขาได้รับของที่เราบริจาคไปเขามีความสุขเขาไม่เขากำจัดความทุกข์ของเขาได้มันก็ทำให้ใจเรามีความสุขขึ้นมาเพราะฉะนั้นต้องทําบุญตอนที่เรายังไม่ตายแม้แต่ทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้ว เ, เข็นมอดกไว้ที่ไหนกรรมไว้ให้คนนั้นคนนี้เราก็จะไม่ได้บุญจากการ กาจารเสียทรัพย์สินเรานี้เลยแต่จะได้ทรัพย์สินต้องทำตอนที่เรายังอยู่บริจากไปเลยให้ใครก็ให้ไปเลยอย่าไปรอให้เราหลังจากที่เราตายไปแล้วอยให้เขาตอนนั้นเราไม่รู้แล้วว่าเขาได้รับหรือเปล่าคำถามจากคุณสุธาทิพย์ขอกระเปลียนถามกรณีถืออุโบสถนอนบนที่นอนยางพาราแต่หนาประมาณห้านิ้วและห่มผนวมจะผิดศีลไหมคะก็แล้วแต่ว่าเรานอนเพื่อความ ความสบายหรือนอนเพื่อรักษาร่างกายของเราบองกันถ้าบางทีพื้นมันเย็นกานอนบนพื้นเย็นๆก็อาจจะเป็นไข้ได้ก็อาจจะต้องมีอะไรมาลองกันความชืน้นความเย็นไว้ไม่ให้มันมากระทบกระเทือนกับร่างกายถ้าอย่างนั้นก็พอใช้ได้แต่ถ้านอนเพื่อให้มันสบายอย่างนี้ก็ไม่ไม่ได้ไม่ต้องการให้มันสบายมันจะได้ไม่นอนจะได้มาภาวนาจะได้ตื่น เวลาเรามีคุณค่าอย่าไปให้มันหมดไปกับการหลับนอนมากเกินจนเกินไปเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเอามาปฏิบัติทำดีกว่าคำถามสากคุณกรหาไทยตื่นนอนแล้วสวดมนต์ไหว้พระทันทียังไม่ได้ล้างหน้าอาบน้ําถือเป็นการไม่เหมาะสมไม่เคารพหรือไม่คะไม่หรอกทาได้ทันทีเลยไม่สวดมนต์ก็พุโทโธพุโทโธไปเลยเนี่ยการปฏิบัติเพราะกิเลสมันไม่รอเวลาให้เราล้างหน้าตาเสร็จแล้วมันค่อยมา มาบุกล <unlucky. S 2> ูกเราอยี่ยนะมันบุกลูกเราตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมามันก็อยากแล้อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากทํานู่นอยากทานี่มันไม่รอเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ไปล้างหน้าล้างตาก่อนมันไม่ได้รอกิเลสไม่รอใครนะทำก็ไม่ต้องรอใครทำก็ต้องลุยกับมันไปเลยกิเลสมาเมื่อไหร่ก็ต้องสู้กับมันทันทีถ้ามันบุกมาเราก็ต้องสู้กับมันถ้าไม่บุกเราก็หยุดได้ถ้าตอนนี้ใจไม่คิดไม่อยากอะไรเฉยๆเราก็ไม่ต้องพุทโธก็ได้ แต่พอมาเริ่มคิดเริ่มอยากแล้วเราต้องหยุดมันแลคำถามจากคุณเป็นแค่เพื่อนการให้ทานกับการให้บริจาคต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไรและผลบุญที่ได้จะมากน้อยต่างกันอย่างไรครับอันเดียวกันเป็นคำพูดภาษาท่านันเองบริจาคก็คือการให้ทานก็คือการให้บริจาคก็การเสียสละทานก็คือการให้มันก็อย่างเดียวกันเสียสละหรือให้มันก็อันเดียวกันมันก็เป็นทานเหมือนกัน จาคะคาบายจาก็มาคำจากคำว่าจา ค, ค่ะคำถามจากคุณซุปเปอร์ตราสุพตราค่ะเวลาจะขึ้นเครื่องชอบพิตกกังวลและกลัวการขึ้นเครื่องบินกราบขอพระอาจารย์ให้สติด้วยเจ้าค่ะก็ถ้าไม่อยากจะตายก็อย่าขึ้นถ้ากลัวตายก็กลัวเครื่องบินตกก็อย่าไปขึ้น ไม่มีใครบังคับให้เราขึ้นเราขึ้นเองแล้วอยากจะไปนู่นมานี่เราก็ต้องไปขึ้นเครื่องถ้าขึ้นเครื่องแล้วก็ต้องโปรงมันก็มีทางเลือกสองทางไม่ไม่เป็นก็ตายนะใครคิดอย่างนี้ก็แล้วกันก็จะได้หายกลัวได้ค่ะคำถามจากคุณบัวถ้าไปทําบุญถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ไปกับคนอื่นต่างคนต่างมีครอบครัวและโกหกครอบครัว และทำให้ภรรยาขอร้อนใจทุกใจอย่างนี้ไม่ทราบว่าทั้งสองคนนั้นจะได้บุญหรือบาปมากกว่ากันคะก็แล้วแต่บุญกับบาปอันไหนมันมากกว่ากันมันหนักกว่ากันค่ะ <Okay. S 1> คำถามจากคุณดำมะประการรบกวนสอบถามครับเมื่อนั่งสมาธิไปจนพบว่าร่างกายเป็นก้อนดินนิ่งๆเราควรทำอย่างไรต่อครับก็ให้มันนิ่งไปนานๆให้มันเฉยๆไปนานๆ เท่าที่จะทานได้แล้วทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเพื่อต่อไปใจเราจะได้ไม่ไม่วุ่นวายกับอะไรต่างๆไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเฉยๆได้ถ้ามีก็ถามต่อได้ค่ะคำถามสักคุณประหยัดเห็นงูกินอึ่งอ่างไม่รู้จะช่วยใครจะทำใจอย่างไรครับก็ปล่อยไปตามธรรมชาติอนัตตา โลกเป็นอย่างนี้โลกเป็นโลกของการเกิดแก่เจ็บตาย<ม>สัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยคำถามจากคุณพีโกค่ะตอนจิตคิดเราควรห้ามหรือปล่อยเป็นสักแต่รู้กับขอบคุณพระอาจารย์ถ้าไม่ห้ามมันก็ไม่สักแต่รู้เลยถ้าไม่ห้ามมันคิดมันก็คิดไปเรื่อยๆมันก็ไม่สักแต่รู้ง<ม>ั้นถ้าอยากจะสักแต่รู้ก็ต้องหยุดความคิด ให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธหยุดมันคำถามจากคุณวันโยมปฏิบัตินั่งสมาธิทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงโดยบริกรรมพุโทโธแต่มักจะไม่อยู่ในคำบริกรรมแต่เหมือนใจไม่ฟุ้งซ่านอยากทราบว่าถ้าถึาถงขั้นเป็นฌานจะเป็นแบบไหนคะก็มันก็จะนิ่งความคิดก็หายไปพุโทโธก็หยุดไป mm hmm. เหลือแต่ความว่าง mm hmm. เหลือแต่สักแต่วรู้ mm hmm. เหลือแต่ความสุข mm hmm. เหลือแต่อุเบกขา